วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สีม่มกราคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันมงคลอย่างยิ่งเพราะจะมีการกระทา ที่เป็นเสริมงคลแก่ชีวิตนั่นเองดังที่พระเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ในมองคลสูตรว่าอาเัวนาจะบาลานังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตะมังหนึ่งการไม่คบคนพาลหรือคนง่อ สองการคบบัณฑิตสามการบูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชาเป็นการกระทาที่จะนำความสิริมงคลอย่างยิ่งมาให้แก่ชีวิตคำว่าสิริมงคลก็คือความสุขความเจริญของจิตใจ ไม่ใช่เป็นความสุขความเจริญของกิเลสตัณหาหรือของโล ก, กธรรมทั้งสี่คือลาบยศสารแสนสุขแต่เป็นความสุขความเจริญของจิตใจที่จิตใจสามารถที่จะยกระดับของตนให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงจุดสูงสุดได้ คือตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเป็นเทวดาจากเทวดาไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอริยบุคคลไปเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้านี่คือความเป็นสิริมงคลหมายถึงความสุขความเจริญทางด้านจิตใจ การกระทาที่พระเจ้าทรงสอนไว้สามข้อแรกนี้ในมงคลละสูตรในมงคลละสูตรนี้มีสามสิบแปดข้อด้วยกันเป็นเหมือนแผนที่หรือเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตที่จะยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดถ้าผู้ใดได้ศึกษา มงคลละสูนมงคลสามสิบแปดข้อแล้วสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ครบทุกข้อ<ม>ก็จะได้รับความสุขความเจริญถึงขั้นสูงสุดคือขั้นนิพพานขั้นที่จะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป<ม>แต่ก็ต้องเริ่มจากขั้นที่หนึ่งไปตามลำดับก่อน ขั้นที่หนึ่งก็คือเรื่องของการครบค้าสมาคมกับคนคนเหล่านี้มีหลายรูปแบบคนฉลาดก็มีคนไม่ฉลาดก็มีถ้าไปคบกับคนไม่ฉลาดเขาก็จะพาให้เราไม่ฉลาดไปกับเขาถ้าเราครบกับคนฉลาดเขาก็จะพาให้เราไปฉลาดกับเขาคนที่ไม่ฉลาดนี่เป็นคนอย่างไร คนไม่ฉลาดนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีการศึกษาไม่ได้จบปริญญาตรีโทเอก<ม>อันนี้การศึกษาทางโลกนี้ไม่ถือว่าทำให้คนฉลาดอย่างแท้จริงการการที่จะเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริงนั้นต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกฎแห่งกรร ม, มรู้เรื่อง เรื่องของบาปบุญคุณโทษรู้เรื่องของนรกเรื่องสวรรค์ถึงจะถือว่าเป็นคนฉลาดเ<ม>พราะการกระทาภายใต้กฎแห่งกรรมนี่แหละที่จะทำให้จิตใจสุขเจริญหรือจิตใจทุกข์และเสื่อมลงไปตามลำดับ<ม>คนไม่ฉลาดคือคนพานนี้ จะไม่เห็นโทษของการกระทําบาปจะไม่เห็นโทษของการเสพอบายามุขจะคิดว่าเป็นการหาความสุขความเจริญให้แก่ตนเองเพราะว่าเวลาทำบาปนี้มันง่ายนลาทาให้ได้สิ่งที่อยากได้ง่ายเช <c oughs> ่นสิ่งที่อยากได้กัน ก็คือโลกกะระทำได้แก่าบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกขึ้นกายเวลาที่อยากจะได้ราบยศสรรเสริญสุขนี้ถ้าต้องหาได้โดวยวิธีไม่ทำบาปนี้มันจะยากฝา <c oughs> กการกะระทาด้วยวิธีการกะระทำบาศ แม่ว่าจะกระทำบาปด้วยการโกหกหลอกลวงหรือชอบโกงลักทรัพย์ของผู้อื่นหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือถ้าอยากจะหาความสุขจากบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็หาโดยวิธีที่ไม่ถูกประเพณีคือไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน <c oughs> เหล่านี้เป็นวิธีการของคนไม่ฉลาด คนที่หวังจะได้ผลอย่างรวดเร็วแต่ไม่รู้ว่าผลของการกระทำบาปนั้นทำให้จิตใจตกต่ำทำให้จิตใจทุกข์มากขึ้นเวลาทำบาปนี้จิตใจจะไม่มีความสุขจิตใจจะมีความทุกข์อาจจะมีความสุขตอนต้นตอนที่ได้กระทำตอนที่ได้สิ่งที่อยากจะได้มา แต่การได้สิ่งที่มาโดยมิชอบด้วยการกระทำบาปหรือการกระทำผิดกฎหมายมันมีโทษตามมา น, นั่นเองโทษที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันในขณะที่มีชีวิตอยู่และโทษที่จะตามมาหลังจากที่ตายไปแล้ว ขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่แบบภาวะหวาดภาวะไม่รู้ว่าจะถูกจับไปลงโทษเมื่อไหร่อยู่ไม่เป็มสุขอยู่ไม่มีความสบายใจอยู่ด้วยความหวาดวิจกกังวลต่าง ๆ, ๆแล้วถ้าถูกจับไปก็ต้องถูกจับไปลงโทษถูกกักขังไว้ในคุกตารางสูญเสียอิสระภาพ ถ้าไม่ได้ถูกจับในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่โทษที่เกิดจากการทำบาปนี้ยังติดไปกับดวงใจดวงวิญญาณของตนบาปที่ทำไวสะสมไว้นี้จะทำให้จิตใจนไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำกว่าภพภูมิของมนุษย์ ภพภูมิที่ต่างกับภพบภูมิของมนุษย์ก็คือภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายและของสัตว์นรกทั้งหลายอันนี้คือที่ไปของผู้ที่กระทำบาปกันแต่พวกที่เป็นคนพาลหรือคนไม่ฉลาดนี้จะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพราะตนเองมองไม่เห็นว่าใครจะไปเป็นผู้รับผลบาป ก็คิดว่าเมื่อร่างกายตายไปก็จบ <Yeah. S 1> คนที่ทำบาปก็ตายไปแล้วแล้วใครจะไปรับผลบาป mm hmm. แต่คนที่ฉลาดคนที่รู้ความจริง mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าพระอรหันตาสาวก mm hmm. ผู้ที่ได้พิสูจน์ mm hmm. ได้จากการปฏิบัติจิตตภาวนารู้ได้ว่า ชีวิตของคนเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแต่ร่างกายนอกจากร่างกายแล้วยังมีจิตใจที่เป็นผู้ที่มาร่วมทากิจกรรมกับร่างกาย<ม>เป็นผู้ที่สั่งการให้ร่างกายไปทำบุญหรือไปทำบาป<ม>และเป็นผู้ที่จะรับผลบุญผลบาป ทั้งในขณะที่ยังร่างกายยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว<ม>ผู้นี้แหละคือผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปผู้ที่เป็นคนสั่งให้ร่างกายทำบุญหรือทบาปนี้คือใจร่างกายนี้เป็นเหมือนกับเครื่องม้เครื่องมือของใจเหมือนกับเวลาที่เราเอามีดไป ทำร้ายผู้อื่นมีดเป็นเพียงเครื่องมือในการทำบาปแต่มีดไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำบาปผู้ที่กระทำบาปคือผู้ที่ใช้มีดนั้นไปทำบาปเวลาตำรวจมาจับเขาก็ไม่จับเอามีดไปลงโทษแต่เขาจะจับคนที่ใช้มีดนั้นไปลงโทษฉัในใดกดแห่งกรรมก็เป็นแบบเดียวกันร่นางกายเป็นเหมือนมีดเป็นเหมือนเครื่องมือ ส่วนผู้ที่ใช้เครื่องมือนี้ก็คือใจผู้ ร, รู้ผู้คิดเนี่ยผู้รู้ผู้คิดคือใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆอย่างวันนี้ญาติโยมจะมาทาบุญที่วัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ก็มาได้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้มาคือความคิดคิดว่าวันนี้วันพระควรจะเข้าวัดกัน คนที่จะมาฟังเทศฟังธรรมมาหาความรู้ที่เป็นมงคลแก่ชีวิตกันผู้นี้แหละไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายคิดไม่เป็นร่างกายไม่มีความสามารถที่จะคิดร่างกายมีเพียงแต่ความสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปมาตามคําสั่งของใจได้เห็นใจสั่งให้ลุกขึ้นร่างกายก็จะลุกขึ้นใจสั่งให้เดินร่างกายก็จะเดินเป็นต้น ใจสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรร่างกายก็จะไปทำตามคำสั่งของใจเท่านั้นแต่ใจร่างกายไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรเหมือนเหมือนกับมีดเนี่ยมีดมันไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทิ่มแทงคนหรือเอาไปตัดกิ่งไม้เอาไปตัดผักตัดอะไรต่างๆที่เป็นคุณเป็นประโยชน์มีดไม่รู้ว่าตนเองไปทำคุณประโยชน์หรือไปทำโทษกับใคร ผู้ที่รู้และเป็นผู้ที่ใช้มีดนี้ก็คือใจก็คือคนคนที่ใช้มีดนี่เช่นเดียวกับร่างกายกับใจร่างกายไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเขาไม่รู้ว่าเขาทำบาปเขาไม่รู้ว่าเขาไปลักทรัพย์ไม่รู้ว่าเขาไปประพฤติผิดประเพณีเขาไม่รู้ว่าเขาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาไม่รู้ว่าเขาพูดปดโกหกหลอกผูงแต่ผู้ที่รู้ผู้ที่ทาก็คือใจ น้าใจนี้แหละเป็นผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีไม่มีเกิดไม่มีดับใจไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความสามารถที่จะรู้สึกนึกคิดได้เท่านั้นเองเวลาทำบาปก็จะเกิดก็จะมีความรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมา ท, าทันทีเวลาทำบุญก็จะมีความรู้สึกสุขใจขึ้นมา ท, าทันทีผลบุญผลบาปเกิดขึ้นที่ใจทันที ตั้งแต่ยังร่างกายยังไม่ตายวันนี้ญาติโยมมาทำบุญตอนเช้าใส่บาตใส่บาตแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันทีผู้ที่สุขใจอิ่มใจไม่ใช่ร่างกายใจอิ่มแต่บางทีร่างกายยังหิวถ้ายังไม่ได้ให้ข้าวร่างกายร่างกายก็ยังหิวอยู่ร่างกายไม่ได้อิ่มบุญใจเป็นผู้อิ่มบุญร่างกายนี้ต้องอิ่มข้าวกับข้าวกับปาอาหาร <c oughs> นี่คือสิ่งที่คนฉลาดบัณฑิตเช่นพระพุทธเจ้าและพระอนานนตสาวกทั้งหลายนี้เป็นผู้ได้ศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นจริงของชีวิตของพวกเราว่าเรามีอะไรบ้างในตัวในชีวิตของเราที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราท่างสองคนเพราะว่าเรามีร่างกายและมีใจ ร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้ใจเป็นคนใช้ร่างกายให้ไปทำบุญแนละไปทำบาปกต่างๆแล้วใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปทั้งในขณะที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วญยาตยิโยมทำบุญกันเวลาทำบุญก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วความสุขใจอิ่มใจนี้ยังไม่หมดนะยังฝังอยู่ในใจของเรา เป็นเหมือนใจของเรานี่เป็นเหมือนธนาคารบุญทุกครั้งที่เราทำบุญมันก็เหมือนเราเอาเอาเงินไปฝากธนาคารเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารมันก็ยังเป็นของเราอยู่มันจะหมดต่อเมื่อเราไปเบิกเอามาใช้บุญของเรานี้จะหมดก็ต่อเมื่อเราเอาบุญมาใช้เราจะใช้บุญได้ก็ต้องรอให้ร่างกายนี้ตายไปก่อน เวลาที่เราเป็นมนุษย์มีชีวิตยอยู่นี้เป็นเวลาที่เรามาสะสมบุญหรือสะสมบาป ก, กัน <S <S 1> <S 1> เราไม่ได้เอามาไม่ได้เบิกมาใช้แต่เราก็ได้สัมผัสกับความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดจากเวลาที่เราทำบุญทำบาป ก, กันแต่บุญหรือบาปมันยังไม่หมดจากการที่เราสัมผัสรับรูบร้เช่นวันนี้นเรามีความสุขจากการทาบุญ มีความสุขจากการได้มาฟังเทศฟังธรรมความสุขนี้มันยังไม่หมดมันยังอยู่เพราะมันถูกฝากเก็บไว้ในใจของเราแล้วมันจะเป็นตัวที่จะมาให้ความสุขของเราต่อไปเวลาที่เราไม่มีร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วตอนนั้นแหละเราถึงต้องไปเบิกเอาบุญที่เราทํากัน คืเบิกตอนที่ร่างกายตายไปแล้วทั้งบุญและทั้งบาปนี่มันก็จะเป็นตัวที่จะมามีอิทธิพลต่อดวงวิญญาณของพวกเราถ้าเราไปทําบาปมากกว่าทําบุญเนี่ยกําลังของบาปมันมากกว่าบาปมันก็จะเป็นตัวที่จะดึงเราไปอยู่ในอบายกันแต่ถ้าบุญของเราเราทําไว้มีกําลังมากกว่าบาป บุญมันก็จะดึงใจของเราให้ไปอยู่บุญสวรรค์ชั้นต่างๆกันอันนี้แหละคือเรื่องของกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่ใช่ทำดีแล้วจะร่ำรวยจะได้เจริญในโลกกระทำคือลาภยศสารเสริญสุขทำชั่วแล้วจะไม่เจริญในลาภยศสารเสริญสุขอันนี้ไม่ใช่คนทำชั่วนี่เจริญในลาภยศสารเสริญสุขมีเยอะแยะไป มีระดับประเทศเลยก็มีระดับโลกเลยก็มีค่าฟันคนโกทำร้ายผู้อื่นแต่ตัวเองอยู่อย่างมหาราชาอยู่อย่างประธานาธิปดีอยู่อย่างพระเดชการอันนี้ไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากการทำบุญหรือทาบาปอันนี้มันเป็นผลที่เกิดจากการทำตามกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างมีความอยากจะหาความสุขจากโลกกรรทำก็หามาหามาได้ทั้งวิธีที่ไม่บาปและวิธีที่บาปวิธีที่ไม่บาปมันก็อาจจะช้าหน่อยหรือมันอาจจะยากหน่อยหรืออาจจะไม่ได้เลยก็ก็เป็นไปได้แต่ถ้าหาโดยวิธีทำบาปนี่มันหาได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่า ได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีปัญญาก็เลยหลงไปกับการหาความสุขหาสิ่งต่างๆที่ไม่เ่บินคุณเป็นประโยชน์ต่อจิตใจแต่กลับเป็นโทษกับจิตใจ mm hmm. เพราะว่าราบยศจัลรสอนสุขนี้ไม่ได้ทาให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแต่อย่างใด mm hmm. แล้วถ้าไปหาโดยวิธีทําบาปก็ไปสร้างความทุกข์สร้างความ วนวายให้กับใจถึงแม้จะร่ารวยแต่ใจไม่มีความสุขไปโกงเขาไปช่อโกงไปทำบาปไปทำผิดกฎหมายถึงแม้ตัวเองจะร่ำรวยเป็นใหญ่เป็นโตแต่ใจนี้มันไม่มีความสุขใจมีมีความหวาดวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆว่าวันใดวันหนึ่งวิบากกรรมอาจจะตามมาทันก็ได้อันนี้คือ คนโง่จะไม่เห็นเรื่องของจิตใจเพราะไปมาว่าจิตใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันทำบาปเขาถึงกล้าทำบาปกันเพราะเขาไม่เชื่อว่าตายไปแล้วยังมีการไปเกิดต่อไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนลกนี่เขาไม่เชื่อยิ่งยิ่งฉลาดทางโลกเท่าไหร่ยิ่งไม่เชื่อใหญ่พวกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์พวกที่เก่งทางด้าน ความรู้ทางโลกนี้จะเห <2: Yes. S 1> ็นว่าพวกคนที่เชื่อนรกเชื่อสวรรค์นี้เป็นพวกงมงายเพราะตัวเองไม่สามารถพิสูจน์ได้จากความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้มาความรู้ที่ตนเองได้เรียนรู้มานี้เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้สิ่งที่ร่างกายสามารถจับต้องได้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่ร่างกายไม่สามารถจับต้องได้ คือเรื่องจิตตวิญญาณ น, นี่เขาไม่รู้แ mm hmm. ม้กระทั่งตัวเขาเองนี่ถึงแม้จะมีความรู้ระดับด็อกเตอร์แต่บางทีกลับมีความทุกข์มากกว่าคนที่เป็นขอทานคนที่ไม่มีความรู้สิเขายิ่งรู้ยิ่งมากยิ่งคิดว่าตัวเองเก่งยิ่งคิดว่าตัวเองฉลาดพอไม่สามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำได้ก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นและบางทีก็ ไปทำบาปทําให้เกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลใจขึ้นมาจนบางทีถึงกับต้องฆ่าตัวตายไปก็มีเอกอไปสร้างปัญหาต่างๆไว้สร้างสร้างบาปที่มาทําให้เกิดทําให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักวิธีที่จะระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทําบาปของตนได้อย่างไร ยิ่งไปแก้ยิ่งไปมัดตัวเองอย่างยิ่งไปทําบาปเพิ่มขึ้นนี่ mm hmm. วิธีแก้แก้ความผิดก็มักจะไปทําความผิดเพิ่มทาบาปแล้วก็ไปโกหกขโมยเงินคนของคนอื่นแล้วก็ถ้าถูกถามก็บอกไม่ได้ทําำมือ hmm. บางทีก็ไปกลั่นแกล้งเอาให้คนอื่นเข้าไปรับโทษแทนทําแล้วเมื่อไปทําให้คนอื่นเขาเบื่เบียดเบียนเสียหายเดือดร้อนความทุกข์ก็กระมาที่ใจของตอนทันที บางคนยิ่งฉลาดยิ่งโง่<ม>คิดว่า<ม>คิดว่ารู้<ม>คิดว่าสามารถที่จะทําให้ตนเองอยู่อย่างมีความสุขได้ใช่อยู่อย่างมีความสุขทางทางโลกก็ทำได้ทางลาบยศเสริญทางรูปเสียงกลิ่นลดได้<ม>แต่ไม่สามารถทําให้ใจของตนเองมีความสุขได้<ม>และอาจจะทําให้ใจต้องทุกข์ต้องเพียรอยู่ตลอดเวลาเสียด้วยซ้ําไป นี่แหละคือลักษณะของคนโง่คนโง่จะเข้าหาโลกกระทำเพราะคิดว่าโลกกระรทนี้เป็นเป็นสิ่งที่จะนำมงคลมาให้กับชีวิตของตนเป็นสิ่งที่จะนำความสุขความเจริญมาให้กับชีวิตของตนแต่หาไายมากน้อยเท่าไหร่มันก็ยังเครียดยังทุกข์อยู่อย่างนั้นยิ่งมีมากยิ่งเรียดมากขึ้นไปอเพราะยิ่งมีปัญหามากขึ้น มีภาระผิดชอบที่จะต้องคอยดูแลรักษาเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแทนที่จะมีความสุขจากโลกธรรมกับต้องมาเครยียดกับต้องมาทุกข์กับโลกธรรมเพราะเพราะว่าในธรรมชาติของโลกธรรมมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ได้มาแล้วอยากจะให้มันอยู่กับเราไม่ให้มันสูญหายไม่ให้มันหมด ก็บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ถึงเวลามันจะหมดมันก็หมดได้ถึงเวลามันจะเสื่อมมันก็เสื่อมได้ mm hmm. แล้วเวลาเกิดความสูญเสียและเกิดความเสื่อมขึ้นมา mm hmm. ก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. พวกมหาเศรษฐีทั้งหลายนี่เราอย่าไปคิดว่าเขามีความสุข mm hmm. ใช่เขามีความสุขทางร่างกาย mm hmm. เขาซื้อคอนโดราคาร้อยล้านพันล้านเขาอยู่กัน แต่ใจนั้นเหมือนอยู่ในนรกร่างกายอยู่ในคอนโดอยู่ในประสาลาชวังแต่ใจนี้อยู่ในกองทุกข์ของไฟนรกต่างๆเหตุจากการที่ไปทําบาปหรือเหตุจากการที่ไปต้องไปคอยวุ่นวายคอยดูแลทรัพสมบัติเข้าของเงินทองที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมันเป็นอนิจจังไม่แน่นอนอนัตตา ทำให้มันแน่นอนไม่ได้เมื่ออยากจะให้มันแน่นอนแล้วมันไม่แน่นอนมันก็เลยทำให้ทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับกันต้องกินยากล่อมประสาทกันลูกเศรษฐีนี่บางทีคิดมากฟุ้งซ่านจะนอนแต่ละครั้งนี่นอนไม่หลับต้องมียากล่อมประสาทให้กินถึงจะพอจะหลับนอนได้นี่คือนี่คือ คนหลงเป็นอย่างนี้คนคนพาลหรือคนง่อเป็นอย่างนี้คนพาลคนง่อไม่มีความรู้ทางธรรมะไม่มีความรู้ทางกฎแห่งกรรมไม่มีความรู้ทางกฎของใจรักของกฎของอริยสัจสี่จึงไม่สามารถที่จะทําให้ใจของตนเองไม่ทุกข์ไม่เครียดได้แต่บัณฑิตคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าและพระอนันตสาวกนี่ท่านคนที่ สามารถทำให้ใจของท่านไม่เครียดไม่ทุกข์กับอะไรได้นและท่านก็ไม่สนใจกับการที่จะหาโลกธรรมมาเพราะท่านรู้ว่าโลกธรรมนี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ดับความเครียดได้กลับจะทำให้ใจต้องทุกข์ต้องเครียดอยู่มากๆขึ้นไปอย่างพระพุทธเจ้านี่ก่อนที่จะมาบวชก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถนเป็นผู้ที่ มีทรัพย์สมบัติมีโลกกระทำอย่างอย่างมากมายถือว่าระดับต้นๆของของมนุษย์เลยก็ได้การเป็นกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์มีประสาทสามฤดูเห็นไหมสามารถโยกย้ายเปลี่ยนที่ได้ที่ตรงนี้หนาวเกินไปก็ย้ายไปหาที่ที่มันไม่หนาวที่ตรงนี้ฝนมันตกชุกชุมก็ย้ายไปหาที่ที่มึงฝนไม่ตกชุกชุมสามารถเปลี่ยนไปได้สามฤดู มีภาษาไว้สําหรับอยู่ในฤ ด, ดูต่างๆแล้วก็มีบริษัทบริวารติดตามไปตอบสนองตันหาความอยากต่างๆอยากจะฟังอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะเล่นอะไรอยากจะกินอะไรอยากจะดื่มอะไรสามารถทําได้ทุกเวลาที่ต้องการแต่ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ทําให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอ แต่กลับทําให้เกิดมีความหิวโหยมีความอยากและเวลาเกิดความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยาก mm. ก็เกิดความทุกข์ mm. เกิดความโกรธขึ้นมา mm. แล้วก็ mm. เป็นของที่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสกแล้วพอไปรู้ว่าร่างกายนี้เป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายขึ้นมาทีนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมายิ่งขึ้นไป ต่อไปแกแล้วจะทําอะไรดีแก่แล้วก็เสบรูปเสียงกลิ่นลดไม่ได้เก็บไขยได้ป่วยก็เสบไม่ได้ตายไปก็เสบไม่ได้อันนี้เป็นเหตุที่ทําให้พระพุทธเจ้าต้องออกบวชต้องสละราชสมบัติเพราะรู้แล้วว่าการมีเล่อกธรรมทั้งสีนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะมาป้องกันไม่ให้ใจเกิดความทุกข์เกิดความเครียดไม่ได้ทําให้เกิดความสุขความอิ่ม ความพอไปตลอดเวลาจึงต้องรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แตเป็นทางที่จะนำไปสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะผู้ใดที่เสพโลกกรรมคือลาบยศสารเสริญสูงนี้แล้วจะติดเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากเสพโลกกระทมันก็ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะมันมันอยู่ที่ใจมันมาจากใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพราะยังมีความอยากจะเสดโล ก, กธรรมทั้งสี่อยู่ดวงวิญญาณก็จะต้องไปหารับร่างกายอันใหม่ไปเกิดใหม่อีกไปเกิดใหม่เพราะต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบยศสรรยสินสุต่อไปอนั่นเองจึงมันจึงทำให้ดวงวิญญาณนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าตามใดยังไม่ได้หยุดความอยากที่จะหาความสุขจากโลกกระททั้งหลาย<ม>ถ้ายังมีความอยากหาลาบยศสารเสริญสุขอยู่ดวงวิญญาณก็จะต้องไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆพอไปเกิดแล้วก็ต้องไปเจอร่างกายที่มันไม่เที่ยงร่างกายที่มันให้ความทุกข์กับเราทุกข์เพราะว่ามันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายอันนี้แหละคือผลของจกของ ของการที่ไม่ได้เข้าหาบัณฑิตไม่รู้ว่าการหาโลกธรรมนี้เป็นการวิ่งเข้าหาความทุกข์ความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดความทุกข์ที่เกิดจากการทีจังนะทุกขังอนัตตาของลาบยศสารเสริญสุขและของร่างกายนี่ไม่ใช่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่การเป็นการเข้าหาก่องทุก เหมือนกับการเข้าหากองไฟไม่ได้เป็นการหนีออกจากกองไฟกับกับวิ่งเข้าหากองไฟเหมือนมแมลงเม่ามแมลงเม่านี่ชอบแสงสว่างของกองไฟพอเห็นกองไฟขึ้นมามันก็จะบินเข้าหาแสงแต่ไม่รู้ว่าแสงของกองไฟนะั้นมันร้อนพอบินเข้าใกล้หน่อยก็ถูกไฟเผาตายกันไปอันนี้ก็คือดวงใจของคนไม่รู้คนโง่คนพาน คนไม่ฉลาดไม่รู้ว่าตัเองกําลังหลงกับการไปหาความทุกข์โดยที่ไปคิดว่าเป็นความสุขถ้าตราบใดยังมีถ้ายังเห็นว่าโล ก, กธรรมคือลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นแหล่งของความสุขนนั้อันนี้แหละคือเป็นเครื่องบ่งบอกว่านี่คือความโง่คนฉลาดนี่เขาเห็นว่าโล ก, กธรรมทั้งสี่คือลาบยศสารเสริญสุกนี้ มันเป็นแหล่งของความทุกข์ทุกข์ขังให่ไหมอันนี้จังทุกขังมันเป็นอันนี้จังมันเป็นอนัตตามันถึงทำให้ทุกข์ขังเกิดขึ้นมาคนฉลาดถ้าแบกแมงเม้าที่ฉลาดก็จะต้องไม่วิ่งเข้าหากองไฟไม่วิ่งเข้าหาแสงสว่างของกองไฟเพราะรู้ว่าเข้าไปใกล้แล้วเดี๋ยวก็ต้องถูกความร้อนของไฟเผาไหม้ตายไปคนฉลาดต้องหนีออกจากโลกกระทเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็สะละราชสมบัติไปหลังจากที่ผู้เจ้าทรงตัดสัูแล้วก็มีสาวกที่เป็นเศรษฐีมีเป็นพระราชาหลายคนด้วยกันที่พอได้ยินได้ฟังธรรมของผู้เจ้าพอรู้ว่าราบยศสลรเสริญสุขนี่เป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขก็สละสมบัติกันมาบวชกันบางคนเป็นเศรษฐี เวลาเป็นเศรษฐีนี้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดอยู่ตลอดเวลาแต่เวลามันได้บวตแล้วมาตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็สงบเย็นมีแต่ความสุขจนกระทั่งไม่สามารถที่จะยับยั้งความรู้สึกนี้ออกมาได้ได้มปไหนมาไหนก็บ่นไปพึมพำว่าสุขหนอสุขหนาะท่านเอ็นที่ไม่เข้าใจท่านก็คิดว่าท่านไม่มีสติหรือไงเสียสติหรือเปล่า พระรูปนี้พระแก่รูปนี้เดินไปไหนมาไหนก็บุญุ่นพรมสุขหนอสุขหนอก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าไม่สำรวมพระเจ้าก็เรียกไปตรวจถามดูว่าท่านเป็นยังไงหรือท่านไม่สำรวมนีอยังไงผอไม่ใช่หรอกครับสมัยที่ผมยังไม่ได้บวชนี้ผมเป็นเศรษฐีผมมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมากมายก่าย ก, กองแต่ใ จ, ใจของผมกลับไม่มีความสุขเลย มีแต่ความเครียดมีแต่ความทุกข์ความกังวลอยู่เรื่อยๆพ อ, อผมได้มาสละทรัพย์สมบัติมาบวชแล้วมากําจัดความอยากต่างๆที่มีในใจหมดสิ้นไปแล้วใจของผมไม่สงบเย็นสบายไปตลอดสุขไปตลอดจน ก, กระทั่งมันอดอศัศจรรย์ใจไม่ได้ถึงจะต้องบ่นพุพ่มพามออกมาว่าสุขเนอสุขหนอะอพระเจ้าได้ฟังอย่างนี้ท่านก็บอกเธอไม่ไม่ใช่คนเพ้อเจอร์คนไม่ใช่คนไม่มีสติน เป็นคนที่มีสติสมบูรณ์เราได้พบสัจธรรมความจริงความสุขที่แท้จริงแล้ว <Yeah. S 2> จากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> อันนี้แหละคือประโยชน์สําหรับผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนข้อหนึ่งและข้อที่สองคือไม่คบคนพาไม่คบคนโง่ <Yeah. S 2> คบคนฉลาดคบบัณฑิต yeah. คนง่ก็คือคนที่ยังหลงไหลกับการหาราบยศสารเสริญสุขอยู่คนที่คิดว่าราบยศสารเสริญสุขนี้เป็นเป็นกองสุขเป็นแหล่งของความสุขอยู่เพราะนั้นแหะเป็นคนโง้เพราะว่าจะต้องเป็นเหมือนกับแมงเม่าที่จะต้องถูกไฟของราบยศสารเสริญสุขนี้เผาไปเผาให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกเกิดความกังวลต่างๆตลอดเวลา แล้วการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการมาวัดก็เป็นการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพราะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายว่าท่านเป็นอย่างไรมาก่อนก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเป็นพวกที่หลงไหลกับลาบยศสรเสริญสุขแต่วันหนึ่งท่านเกิดมีความเห็นที่ประผุดขึ้นในใจว่ามันเป็นกองทุกข์นี่ว่า ไม่ใช่เป็นกองสุขเลยมีเงินมีทองมีอะไรมากมายก่ายกองแต่ใจก็ยังต้องทุกข์อยู่ทําไมยังต้องมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจบ็บทุกข์กับความตายทําไมต้องไปทุกข์กับความไม่แน่นอนของของร า, าบยุคสารเสริญสูงอยู่ก็เลยทําให้ชุบคิดหาทางแก้ปัญหานี้ก็เลยไปบวชกันเอาบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นคนแรกที่ได้คนคนพบสาเหตุที่ทําให้ เกิดความทุกข์ทางใจต่างๆขึ้นมาก็เพราะว่าไม่เห็นกฎของตายลักในโลกกระทำทั้งสีนี่ไม่เห็นว่าโลกธรรมทั้งสีนี้เป็นราบยุบยสะสารเสริญสุขนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอพอพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติด้วยวิปัสนาญาณด้วยการภาวนานจิตตภาวนานจิตใจก็มีความสว่างขึ้นมาใจสว่างใสขึ้นมา เมื่อก่อนนิจใจเหมือนเหมือนแว่นตาที่มีมีมีอะไรมีมีมีหมอกมีมีอะไรคลุมอยู่มันหมันมัวมีความมัวครอบงมกระจกอยู่แต่พอได้เอาผ้ามาเช็ดผ้าสะอาดมาเช็ดเอาความมัวออกไปจดแว่นตาที่ใส่ก็จะเห็นสิ่งที่เป็นตามความเป็นจริง เมื่อก่อนนี้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกองจากเป็นดอกบัวเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขกันแต่พอได้เอาการภาวนาจิตตภาวนานี้มากําจัดเมฆบอกคือโมหะอวิชชาที่ครอมงําจิตใจให้ออกไปจากจิตใจใจก็หูตาสว่างขึ้นมาเห็นทุกข์เป็นทุกข์เห็นเห็นอนิจจังเป็นอนิจจังเห็นอนัตตาเป็นอนัตตา เห็นว่าลาบยสะะสศสารเสินสุงนี้เป็นแหล่งของความทุกข์เพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา<ม>ก็เลยสามารถที่จ ะ, ะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองให้หมดสิ้นไปได้<ม>ทำให้ใจของตนเองนี้มีแต่ความสุขตลอดเวลา<ม>และหลังจากที่พระเจ้าได้สองคนพบความจริงอันนี้แล้ว พร อ, องค์ก็ไม่หวงวิชาความรู้ไม่ไปโจทย์ลิขสิทธิ์ไม่เหมือนคนสมัยนี้พอได้วิชาอะไรมาปั๊บนี่ถึงหน้าต้องทําก่อนก็คือไปโจทย์ลิขสิทธิ์ก่อนนะไปหวงนั่ยหวงสมบัติละกลัวเดี๋ยวคนอื่นจะเอาแย่งสมบัติของตนเองไปอันนี้พระพุทธเจ้าไม่หวงเลยไม่ไม่มีการไปโจทย์ทลิขสิทธิ์ถงหวนลิขสิทธิ์มีแต่จะเอามาแจากทําเป็นธรรมทานเพราะการให้ธรรมะนี่เป็นการให้ที่สูงสุด ที่ประเสริฐที่สุด <Yeah. S 1> การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง <Yeah. S 1> ให้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง <Yeah. S 1> ก็ไปช่วยบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> แต่ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ทางใจได้ <Yeah. S 1> แต่ถ้าให้ธรรมะแล้วนี่สามารถบรรเทาความทุกข์ทางใจได้หมดเลย <Yeah. S 1> และเมื่อความทุกข์ทางใจหมดไปนี้ความทุกข์ทางร่างกายนี้ก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญอะไร ใจที่มีความสุขแล้วสามารถรับความทุกข์ทุกระดับของร่างกายได้ไม่ว่าจะทุกข์เพราะอดอยากขาดแคลนไม่ว่าจะทุกข์เพราะอดเพราะเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทุกข์เพราะความตายความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะไม่มากระทบกระเทือนกับใจที่มีความสุขได้เลยงนั้นการให้ธรรมะพระพุทธเจ้าจึงทรงเห็นว่าเป็นการให้ที่ที่ดีที่สุดที่เป็นคุณประโยชน์มากที่สุด พระ อ, องค์เลยไม่ไปจดทะเบียนไม่ไปจดสมุนลิขสิทธ์ไว้ใครต้องการเอาธรรมะของพระ อ, องค์ไปเผยแผ่นนี่ก็สาธุอนุโมทนาพิมพ์ได้เลยทำได้เลยคําสานคําสอนของพระเจ้านี้เปิดกว้างเปิดให้ทุกคนที่ไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนี้ให้สามารถเข้าถึงได้เพราะถ้าไปจดลิขสิทธ์ก็จะต้องมีราคาถ้ามีราคาแล้วบางทีคนที่ ยากจนก็อาจจะไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อวิชาวความรู้ได้พระพุทธเจ้าเลยไม่ไม่มีการสงวนิขสิทธิ์ไม่มีราคาไม่ไม่เก็บสตังเวลาที่ทรงแสดงธรรมแต่ละครั้งนี้ไม่มีการไปเรี่ยไรยเอาเงินทองจากผู้ฟังกันไม่เหมือนสมัยนี้ไม่ทราบเป็นยังไงแสดงธรรมแล้วยังต้องไปเอาบาทไปเดินไปรับอบอยจากเงินทองกันอีก อันนี้ไม่ได้เป็นธรมธรมทานนะอันนี้มีการขายธรรมะถ้าเป็นธรรมทานแล้วต้องไม่มีการเรียลัยส่วนคนฟังก็อยากจะทําด้วยด้วยศรัทธาอยากจะทําบุญของเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาไปเป็นเรื่องที่ดีการทําบุญแต่แต่ถ้าจะถูกบังคับว่าถ้ามาฟังธรรมแล้วนี่ต้องเอาเงินหยอดใส่ใส่บาทนี้อันนี้เรียกว่าเป็นการขายธรรมะเป็นการซื้อขายธรรมะกันไม่ใช่เป็นธรมธรมทาน เป็นธรรมทานต้องไม่มีการเรียกร้องเก็บค่ า, ค, าค่าดูค่าฟังอะไรงไม่มีการสงวนลิขิ์ทุกคนสามารถเอาไปเอาไปแชร์กันได้เอาไปเผยแพร่กันได้เวลาเราอ่านข้อความธรรมา a n น w h ที่ดีที่สะดุดใจทำให้หูใจหูตาเราสว่างขึ้นบรรเทาความทุกข์ในใจของเราได้อยากจะส่งไปให้เพื่อนฝูงหรือใครส่งไปได้เลยไม่ผิดไม่ผิดลิขิ์ ไม่ถูกจับเข้าคุกเข้าตารางพระพุทธเจ้าไม่ได้สงควนด้กระเสริ์ในธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละคือความเมตตาของพระเจ้าต่อสัตว์โลกมีความปรารถนาอยากจะให้สัตว์โลกที่ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้มีโอกาสได้หลุดพ้นจากกองทุกข์กันแล้วถ้าพระองค์ทรงสมควนด้วกระเสริฐหรือไม่นำเผยเอานํำธรรมะมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลก แต่โลกอย่างพวกเรานี้จะไม่มีวันรู้ความจริงได้เลยว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุขนั้นที่แท้จริงมันเป็นกองไฟพวกเราเป็นเหมือนแมงเม่าเราไม่รู้ว่าเวลาที่เราบินเข้าหาแสงสว่างของกองไฟพอ เ, เข้าไปใกล้แล้วก็จะถูกความร้อนของไฟนี้เผาตายไปเราไม่รู้ว่าราบโลกกระทคือราบยศเสรรสุสูงนี้เป็นเหมือนกองทุกข์ไปพอเราเข้าไปยุ่งกับมันปั๊บเมื่อไหร่ ไปครอบครองลาบยศสรรเสริญสูงได้เมื่อไหร่เวลานั้นความทุกข์จะเกิดขึ้นทันทีเลยไม่เชื่อลองลองลองลอ ง, ลองดูสิก่อนไปซื้อลอตเตอรี่ถงรางวัลที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยคิดว่าจะสุขอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเกิดความทุกข์ความกังวลขึ้นม า, าจะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนหรือเบื้องต้นก็จะไปเบิกได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก่อนความทุกข์ก่อนความกังวลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเกิดใครมาขาโมยเอาไปเบิกก่อนน ก็ S <S ต้องเกิดความทุกข์ใจเสียใจขึ้นมานะพอได้มาแล้วก็ต้องจะทำยังไงจะไปหลบไปซ่อนที่ไหนดีไปเก็บไว้ที่ไหนดีเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวขบวนมดแมลงทั้งหลายที่จะมามาเกาะเงินที่เราได้พอมีน้ำตาลปั๊บมดมันก็จะได้กลิ่นทันเีพอเขารู้ว่าเราได้เงินเข้ามาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมาแนละ้วญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ไม่เคยเจอกันเป็นปีๆ เ, เลยก็โผล่ขึ้นมานะมาแล้วก็ขอนูน่นขอนี่ ถ้าไม่ให้เขาก็โกรธเราเอกีกด่าเราเอกีกทำให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับอกีกแทนที่จะมีความสุขจากการได้ลาบกลับกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะเป็นอะไรมันจะต้องมีผ้นมันไม่ใช่เป็นแต่ความสุขเพียงด้านเดียวโลกธรรมมันมีทั้งสุขและทุกข์ปนกันมาด้วยกันอันนี้แหละ แต่เราไม่เห็นกันเรามักจะมองไปด้านสุขด้านเดียวโอยได้ได้เงินได้ทองมาแล้วจะมีความสุขเอาไปเที่ยวเอาไปกินเอาไปดื่มเอาไปใช้ไปทำอะไรแล้วไม่คิดว่าเวลามันหมดล้วจะทำไงลนะ่ะหมดแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิมเนะหมือนกับเป็นความฝันไปฝันว่าถู ก, กอรอตลี่ฝันว่าได้ใช้เงินที่ได้มาจา ก, กอรอตลี่พอใช้ไปหมดปับ๊บก็กลับมาเป็นเหมือนคนจนต่อไป นี่มันก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดกันไม่คิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ไม่แน่นอนเพราะความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของมันมันจึงทําให้ใจเราทุกข์กันหรือถ้าเราสามารถรักษาลาบไว้ได้รักษาเงินทองไว้ได้แต่ร่างกายของเราเราก็รักษามันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไป พอเวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายก็เงินทองที่มีไว้ก็ไม่รู้จะไปใช้ใช้ไปเที่ยวก็เที่ย ว, ยวไม่ได้ไปดูไปฟังอะไรก็ดูไม่ได้ตาหูตาลายกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราไม่คิดกันเราไม่มองกันแต่ถ้าเรามาหาความสุขความเจริญทางหน้านจิตใจนี่มันเป็นคนละโลกกันเลยเพราะว่าความสุขจากการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นเป็นเหมือนอ เป็นเหมือนตู้เย็น<ม>เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศพอเปิดพอพอพอเปิดเครื่องปรับอากาศปั๊บห้องที่มันร้อนอยู่มันก็จะเริ่มเย็นขึ้นมาทันที<ม>ทุกครั้งที่เราทําบุญ<ม>ความสความใจใจเราก็จะเย็นขึ้นมาใจของเราก็มีความสุขขึ้นมามอันนี้แหละเป็นการทําบุญยังไม่มีไม่มีโทษต่ตอจิตใจ<ม>แล้วก็เป็นสิ่งที่ถ้าเราทําแล้วเราก็สามารถทําไปได้เรื่อยๆมันเป็นของที่มัน ยั่งยืนกว่ามั่นคงกว่าเราสามารถสั่งได้สั่งให้ใจเราเย็นได้สั่งให้ใจเราสงบได้ถ้าเรารู้จักวิธีทาให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสงบแล้วเราก็สามารถสั่งมันไปให้มันสงบให้มันเย็นไปได้เรื่อยจนถึงขั้นสูงสุดถึงขั้นถึงขั้นท่านิพพานนีออ่ถึงขั้นนิพพานนี้เราไม่ต้องไปสั่งมันละมันเป็นอัตโนมัติไปละใจมันจะเย็นไปตลอด เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีวันที่ไม่มีวันไม่ไม่มีวันหยุดทำงานทำตลอดเวลาให้ความเย็นแก่จิตใจไปตลอดเวลา<ม>อันนี้แหละ<ม>ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในมงคลสูตรสองข้อแรกว่าให้เราอย่าไปคบคนพาลคนไม่ฉลาดคนที่ไม่รู้ว่าโลกกระมนี้เป็นแหล่งของความทุกข์ให้ไปคบบัณฑิต มันเด็ดก็คือผู้ที่รู้ว่าแหล่งของความสุขคืออะไรแหล่งของความสุขก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆทําบุญทำทานรักษาศีลบําเพ็ญจิตตภาวนาฟังเทศคําธรรมสนทนาธรรมกันอันนี้นี่แหละคือวิธีการสร้างความสุขสร้างความเย็นให้กับจิตใจสร้างความเจริญให้กับจิตใจเพราะจะพัฒนาจิตใจจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพ และจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมจากพรหมก็ให้ขึ้นไปเป็นพระอริยบุคคลไปสู่นิพพานและการที่จะไปได้นี้ก็ต้องอาศัยมงคลข้อที่สามที่ท่านสอนว่าบูชาเจปูชนียานังเอตัมมังกาลมุตตะมังให้บูชาบุคคลที่สมควรต่อการบูชา บ, บุคคลที่สมควรต่อการบูชาที่จะให้มงคลแก่ชีวิตของเราอย่างสูงสุดนี้คือ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ให้เราบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาอย่างไรถึงเรียกว่าบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บูชาด้วยการศึกษาคําสั่งคําสอนบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจา้าซึ่งวิธีบูชาในพระพุทธศาสนาพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้สองระดับด้วยกันระดับแรกระดับที่ง่ายและระดับที่สองระดับที่ยาก ถ้าเรายัางทําระดับที่สองไม่ได้ก็ทําระดับที่หนึ่งก่อน<ม>บูชามีสองระดับระดับแรกเรียกว่าอามิสบูชา<ม>ระดับที่สองเรียกว่าปฏิบัติบูชา บ, <ม>บูชาด้วยการปฏิบัติ<ม>อามิสบูชาบูชาด้วยการทําบุญทําทานมีเครื่องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็มาสร้างวัดกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันสร้างกุฏิสร้างวิหาร สร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆหรือเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ยากเดือดร้อนอก็ได้ไปช่วยช่วยโรงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยสถานสงเคราะห์ต่างๆช่วยองค์กรสาธารณนาที่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมหรือช่วยกับช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนช่วยกับคนแก่คนพิการช่วยกับเด็กที่ยากจน นี่เป็นการทำอมิสสบูชาทางนั้นคือการทำบูชาด้วยการทำบุญทำทานและรักษาศีลห้านี่คือการบูชาที่ที่เป็นระดับแรกเป็นการบูชาที่ง่ายกว่าระดับที่สองคือปฏิบัติบูบชาอันทนี่ส์ของการทำอมิตสบูชาก็จะยกระดับจากการเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดากัน เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเกิดในสวรรค์หกชั้นด้วยกันขึ้นอยู่กับว่าทํามากทําน้อยทําบุญทําทานมากก็จะไปอยู่ชั้นสูงทําบุญทําทานน้อยก็จะอยู่ชั้นต่ำแล้วก็จะปปิดประตูอบายด้วยถ้ารักษาศี่ห้าได้ไม่ไปทําบาปไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่เดือดุรายยามเมาไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เวลาตายไปบาปไม่สามารถดึงใจให้ลงไปสู่อาบายได้บุญก็จะดึงใจให้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพได้มีอหกชั้นด้วยกันเช่นสวรรค์ชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นดุสิตอะไรนี่คือสวรรค์ของเทวดานี่คืออานิสงส์ที่เราจะได้จากการที่เรามีการอามิสบูชาบูชาด้วยข้าวของเงินทองตามกําลังของเรามีมากมีน้อยก็ทําไปตามกําลังของเรา มากน้อยนี่ไม่สําคัญเพราะคนคนสองคนอาจจะทําทําบุญเงินไม่เท่ากันแต่ได้ไปได้บุญเท่ากันเพราะว่าบุญนี้มันมันนับไม่ได้นับด้วยจํานวนตัวเลขของเงินแต่นับจํานวนของสัดส่วนของเงินว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของของทรัพย์ที่เรามีอยู่เช่นถ้าเรามีล้านหนึ่งเราทำสิบเปอร์เซ็นต์เราก็ทำแสนหนึ่งแต่ถ้าเรามีหมื่นหนึ่งเราทำสิบเปอร์เซ็นต์เราก็แค่พันเดียว แล้วก็ได้บุญเท่ากันทั้งสองคนอย่งนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าเรายากจนเราจะทําบุญไม่ได้มากทําบุญได้มากถ้าเราทําเต็มร้อยเลยสมมติเ ร, เรามีหมืนหนึ่งเราละหมื่นหนึ่งไปทําบุญหมดแล้วไปบวชอะไรเงี้ยเราก็ได้ทําบุญเต็มร้อยได้สวรรค์ชั้นสูงสุดเท่ากับมหาเศรษฐีที่มีเงินพันล้านแล้วเขาทาบุญพันล้านี้ก็จะได้เท่ากันบุญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงิน แต่อยู่ที่สัดส่วนของการของทรัพย์สินที่เราเสียไปสละไปเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เราบริจาคไปส่วนกี่ส่วนร้อยละเท่าไหร่นีอันตัวนี้นจะเป็นตัวที่วัดความสุขใจในในในตัวของเราเองคนที่มีร้อยหนึ่งบริจาคบาทหนึ่งก็ได้น้อยละหนึ่งคนที่มีพันหนึ่งบริจาคน้อยละหนึ่งก็จะบริจาคสิบบาทนี้แต่ความรู้สึกจะเท่ากันเราได้เสียสละทรัพย์สิน สัด ส, ส่วนของทรัพย์สินเท่ากันก็คือหนึ่งในร้อยดังนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราเป็นคนยากจนแล้วเราจะไม่สามารถทําบุญในระดับขั้นขั้นสูงได้ไมีอยู่ที่สัดส่วนของเงินที่เราบริจาคไปไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขของเงิน อ, อันนี้คือความจริงคนจนนี้กลับจะทําง่ายกว่าคนคนรวยคนรวยต้องทํามากกว่าต้องเสียเงินมากกว่า คนจนคนจนเสงมันน้อยกว่าแต่ได้บุญเท่ากันนี่คือเรื่องของอามิสบูชาคือทำตามกำลังของเราทาอาบิสบูชามันง่ายกว่าการที่เราจะไปปฏิบัติบูชาถ้าเรายังปฏิบัติบูชาไม่ได้ก็ทำอาิสบูชาไปก่อนทำบุญทำทานไปอย่างชาวบ้านที่ไปบิณทบาตเนี่ยเขาใส่บาตรของเขาทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเขาก็ใส่ไปตามกาลังของเขา เขาก็ได้สะสมบุญในระดับสวรรค์ของเขาแล้วเขาก็รักษาสีลห้ากันรักษาต้องต้องรักษาด้วยไม่ใช่ทาบุญอย่างเดียวแล้วไม่รักษาสีลห้าเพราะว่าถ้าไปทำบาปพร้อมๆกับไปทำบุญนี้บางทีบาปมันมีกำลังมากกว่าบุญบุญก็ไม่สามารถดึงไปสู่สวรรค์ได้ก็จะต้องถูกบาปที่มีกำลังมากกว่าดึงไปเกิดในอบายก่อนฉะนั้นอย่าไปอย่าไปทาบาปเลย ถ้าอย่างน้อยถ้ายังไม่ได้ทําบุญไม่มีกําลังที่จะทําบุญก็อย่าไปทําบาปนะครับอย่าไปทําบาปเพื่อหาเงินมาทําบุญอย่างนี้ได้ไม่คุ้มเสียบางคนคิดว่าต้องไปทําบาปถึงจะได้ทําบุญถ้าไม่ทําบาปไม่ไม่มีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วไม่มีรายได้ที่จะมาทําบุญก็ไม่ต้องไม่ต้องทําบุญก็ได้อย่างน้อยก็อย่างน้อยรักษาศีลอยเราจะได้จิตใจของเราจะได้ไม่ตกต่ําแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราทําบุญเราอยากจะให้จิตใจเราสูงเป็นเทวดา แต่เราต้องไปทําบาปเพื่อเราจะได้เอาเงินมาทําบุญเนี่ยจิตใจเราไม่ได้เป็นเทวดาจิตใจเราอาจจะเป็นเปรตก็ได้อาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้ถ้าเราทาาําบาปมากกว่าบุญที่เราทำเพราะนั้นถ้าเราไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะทําบุญรอไว้ก่อนก็ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คือการรักษาศีลห้าไม่ทําบาปการรักษาศีลห้านี่มันง่ายจะตายไปนั่งอยู่เฉยๆก็มีศีลห้าแล้วตอนเนี้ตอนนี้ญาติโยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือเปล่า ตอนนี้รักทรัพย์หรือเปล่าอนนี้ประพฤติผิดประเพณีหรือเปล่าอันนี้ก็หกหรือเปล่าอนนี้ดื่มชโลายามาหรืเปล่าไม่ได้ทำเลยทุงอย่างหนึง่งมีศีลแล้วเนี่ยแค่นี้ให้อยู่เฉยๆท่า น, นั้นเองการทำบาปนี่มันยากกว่าการไม่ทำบาปจะทำบาปนี่จะไปฆ่าคนนี้ต้องไปวางแผนแล้วต้องไปหาเครื่องมือแล้วต้องไปหาปืนหาลูกระเบิดหามีดหาอะไรแล้วก็ต้องไปคอยเฝ้าดูว่าจะสะดวกทำฆ่าเขาเมื่อไหร่ มันยากกว่าการทาการไม่ทำบาปต้องเยอะแยะทำไมกลับไปทำกันได้ของยากของง่ายกลับทำไม่ได้กันการรักทรัพย์ก็เหมือนกันการรักทรัพย์กับก า, การไม่รักทรัพย์อันไหนมันง่ายกว่ากันแต่ไม่ทราบเป็นยังไงจิตใจมันกลับถูกความหลงหลอกให้ว่าการทำบาปมันดีกว่าการมันง่ายกว่าการไม่ทำบาปแล้วการทำบาปแล้วจะทำให้เกิดความสุขมากกว่าการไม่ได้ทำบาป อันนี้แหละอํานาจของความหนุ่งมันหลอกให้เราเห็นกับตาลปัดอย่างที่โบราณท่านพูดว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวฉั้นพยายามรักษาศีลห้าให้ได้แล้วเราจะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้จจิตใจของเราจะไม่ตกลงไปต่ำกว่าการเป็นมนุษย์จะไม่ไปเป็นเดรฉานไม่ไปเป็นเบรดไม่ไปเป็นอสุรกายไม่ไปตกนรกถึงแม้เราจะไม่ได้ทําบุญก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ไปสวรรค์นั่นเอง ตายไปเราก็กลับกลับมารอเกิดเป็นมนุษย์เลยอ่านี่คือเรื่องของอาอาบิสบูชาการบูชาในที่เป็นมงคลอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาลําดับแรกถ้าเรามีบารมีมีกําลังมีอินทรีย์ที่แก่กล้าที่สามารถทําปฏิบัติบูชาได้เราก็ไปปฏิบัติบูชากันการปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ รักษาศีลต้องรักษาศีลแปขึ้นไปในการปฏิบัติบูชาศีลห้าไม่พอกําลังไม่พอส่งใจให้ขึ้นไปสู่สว่าสวรรค์ชั้นพรมสวรรค์ชั้นอาริยบุคคลได้ต้องมีศีลแ8ดถึงจะมีกําลังแล้วพอรักษาศีลแปดได้ก็จะมีเวลาไปเจริญสมาธิไปนั่งไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบให้ใจมีความสุขให้เข้ารูปให้เข้าฌานในระดับต่าง พอเข้าฌานได้ใจก็ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมแล้ผู้ที่สามารถนั่งสมาธิทำจิตใจให้เข้าสงบอยู่ในระดับรูปฌานก็จะไปเป็นรูปพรหมถ้าเข้าถึงอรูปฌปานได้ก็จะไปเป็นอรูปพรหมแล้วถ้าอยากจะไปสูงกว่า น, นั้นเวลาออกจากสมาธิมาก็มาเจริญปัญญามาเรียนรู้เรื่องของอริยาศาศาสัจสีเรื่องของไตรลัรู้ว่าอะไรเป็นตัวที่ทำให้ใจเราลงตัา รู้ว่าอะไรที่จะทําให้ใจเราขึ้นสูงตัวที่จะดึงใจให้เราลงต่ําก็คือตันหาความอยากต่างๆนี่เวลาเกิดความอยากแล้วใจเรามันจะร้อนขึ้นมาไม่เย็นไม่สงบไม่สบายลงต่ํำวิธีที่จะรักษาให้ใจเราเย็นไม่ไม่ตกต่ําไม่ร้อนขึ้นมาก็คือต้องกําจัดความอยากการจะกําจัดความอยากก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์นั่นเองเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสริญสุขไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสไม่ว่าจะเป็นสมาธิระดับรูปประชานหรือรูปประชานของเหล่านี้มันเป็นของไม่เที่ยมเป็นของที่เจะละเล่าเสื่อมได้ถ้าเราไปหาความสุขจากมันเราก็ต้องเจอทั้งความสุขและความทุกข์สลับกันไปถ้าเราไม่ต้องการเจอความทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้ตัดความอยากทั้งสามใบให้หมดความอยากหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นลดเอาความสุขจากรูปปัจจานเอาความสุขจากเรูปปัจจานพอเราตัดความอยากเหล่านี้ได้หมดไปใจเราก็จะเย็นไปตลอดตัวที่ทําให้ใจเราร้อนมันก็ถูกทําลายไปหมดด้วยปัญญาด้วยการเห็นอริยสัจ ส, สีเห็นใตรักนี่อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นสูงสุดได้คือสวรรค์ของพระ อ, อริยบุคคล ตั้งแต่พระโสดาบันพระสะกิฎาคามีพระนาคามีแล้วพอไปถึงขั้นขั้นพระอริยบุคคลแล้วจะไม่เสื่อมแล้วแต่ถ้าเรายังอยู่ในขั้นของรูปประภมเนื้อรูปประภมหรือขั้นของขั้นของเทวดานี้ยังเสื่อมได้ยังจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่พอเป็นพระโสดาบันแล้วนี้จะไม่กลับมาเป็นปุถุชนถึงแม้ว่าจะกลับมาเกิดกีก็ไม่เกิดไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก ถ้าได้ขั้นที่สองนี่ก็จะกลับมาเกิดเพียงชาติเดียวถ้าได้ขั้นที่สามก็ไม่มาเกิดในภพของมนุษย์หรือเทวดาอีกแล้วจะไปเกิดในภพของพรหมล้วพอได้ขั้นที่สี่ก็ไปอยู่ในนิพพา น, นทันทีไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอยู่กับความสุขที่ท่าวรที่มั่นคงที่ไม่มีความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องทาอะไรอยู่เฉยๆไปตลอดเสดความสุขไปตลอด โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีความทุกข์มาเกี่ยวข้องไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นการบูชาที่สูงสุดพระเจ้าทรงตัดว่าการบูชาที่ที่ตถาคตอยากจะให้บูชาก็คือการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานี้เป็นการบูชาที่ได้ผลเป็นกอบเป็นกรรมการบูชาด้วยอมิสบูชานี้ยังได้ผลไม่มาก แต่ก็ยังดีกว่าไม่บูชาเลยดังนั้นถ้ายังปฏิบัติบูบชาไม่ได้ก็ทําอมิสซาบูชาไปก่อนรักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทำทานตามกําลังของเราไปแล้วต่อไปใจของเราก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นก็วันพระก็ลองไปถือศีลแปลองไปปฏิบัติสมาธิปัญญาดูไปก่อนค่อยๆเริ่มไปทําทีละขั้นทีละตอนเพราะกําลังเรายังมีไม่มากที่จะทําทีเดียวพรวดพราดได้ก็ทําไปเท่าที่เราทําไปได้ไปก่อน ตอนต้นก็ จ, จะทําอาทิตย์ละหนึ่งวันปฏิบัติบูชาหนึ่งวันแล้วก็อมิสบูชาหกวันแล้วเจดวันเนี่ยอมิสบูชาเราทําได้ทุกวันแต่ปฏิบัติบูชานี่อา จ, จะต้องมีเวลาว่างด้วยทําไม่มีเวลาว่างต้องไปทํางานก็จะทําไม่ได้เน้นตอนเบื้องต้นเราก็า จ, จะต้องเอาวันหยุดเวลาว่างนี่มาปฏิบัติบูชากันพอเราทำแล้วเห็นผลว่าทาให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นมีความสุขมากขึ้น มันก็จะทําทให้เราอยากจะทําทเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปก็เพิ่มเป็นสองวันสามวันแล้วในที่สุดก็อาจจะไปออกไปไปบวชเพื่อจะได้ปฏิบัติตลอดเวลาเลยก็ได้แล้วเมื่อ ไ, ได้ได้บวชได้ปฏิบัติตลอดเวลาความเจริญขั้นสูงสุดของจิตใจมันก็อยู่แค่เอื้องท่านเองอยู่แค่การปฏิบัติท่านเองพระเจ้าบอกว่าถ้าได้ปฏิบัติเต็มรูปแบบแล้วไม่เกินเจ็ดวันหรือเจ็ดเดือนหมือเจ็ดปีแล้วต้องได้ผลอย่างแน่นอน นี่คือความสุขความเจริญที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตก็จากการที่เรามาทำตามที่พระเจ้าทรงสอนสามข้อแรกคือข้อหนึ่งไม่ไปคบคนพานข้อสองให้คบบัณฑิตข้อสามบูชาบุคคลที่สมควรแก่บูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตนี่คือเรื่องของวันพระวันที่เป็นมงคลที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปาลิปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติยิช oh ิตังภัติตังตุมหังค um ิปเมวะสมิชัตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะราโสยธามณิโชเตอราโสยธาสัพพิติยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตาโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาฒนสีลิสานิจังวุฒาปะจายโน ชตารุธามาวัตถนติอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วมันจะต้องทำอะไรอย่างอางื่นีกมันก็ราจะไม่สะดวก เถ้าอยากจะถามเราถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมนหน้ากุฏิทางเฟ c e b o o k 6ร้อยิเจ็ท่านทางยูทูบพระอาจารย์341อสิบเอ็ดท่านทางช่องด r V c h a n ร e วีชานหสิเอ็ท่านครับเฮาส์สิบท่านวิทยุออนไลน์สิบสาท่าน นาคุติ96้าสิบหท่านรวมทั้งหมดเป็นหนึ่งพันหนึ่งสี่สิบดท่านเจ้าค่ะเชิญถามได้เลยมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมหนาคุติเจ้าค่ะน้อมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าวิธีชนะความรู้ทุกใจความไม่สงบของใจ ได้ด้วยวิธีใดบ้างเจ้าข่ะจากคุณมารีกาเจ้าค่ะก็มีสองวิธีวิธีแรกก็คือสติวิธีที่สองก็คือปัญญาปัญญานี่ยากกว่าสติแล้วก็ต้องผ่านสติก่อนถึงจะสามารถไปทางปัญญาได้ในเบื้องต้นเราต้องฝึกสติเจริญสติจะให้หยุดความคิดให้ได้ก่อนเพราะความทุกข์ก็เกิดจากความคิดนี่คิดไปในทางที่ผิดนีนก็เลยทลําให้เราทุกข์ เช่นคิดว่าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเป็นความคิดที่ผิดเพราะว่าร่างกายมันยังไงก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย mm hmm. ถ้าเราคิดไปในทางที่ถือว่ า, อายอมแก่ยอมเจ็บยอมตายเราก็จะไม่ทุกข์แต่กิเลสมันไม่ยอมให้เราคิดตามความเป็นจริงมันจะชอบหลอกให้เราไปคิดตรงกันข้ามคิดว่าอยู่แล้วจะดีอยู่แล้วจะทําให้เรามีความสุขไปเรื่อยๆแต่โลกที่เราอยู่นี้เป็นโลกของความทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรา อาศัยให้ความสุขกับเรามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราต้องคิดไปในทางที่ถูกแต่ถ้าเรายังคิดไปในทางที่ถูกไม่ได้เพราะเราไม่มีกำลังที่จะสั่งให้มันคิดเราก็ต้องหยุดความคิดก่อนฝึกหันหยุดความคิดก่อนด้วยการเจริญสติเป็นวิธีที่จ ะ, จะเจริญสติให้หยุดความคิดได้ก็เช่นการใช้ค า, คาบริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเรา บริการพุโทโธตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็เริ่มพุโทโธเลยเราก็จะสกัดความคิดต่างๆได้ไม่ให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ตอนที่เรายังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครไม่ต้องไปทํางาน ท, าทําการใช้ความคิดตอนที่เราตื่นขึ้ น, นมาเตรียมตัวอาบน้ําล้างหน้าแปรงคันนี้ก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปก่อนฝึกสติไปก่อนฝึกขาดสร้างพุโทโธให้คอยสกัดความคิดไว้ก่อนแล้วต่อไปเวลาที่เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็ใช้พุทโธนี kind of ้หย mm ุดได้เลยคิดทุกกับคนนั่นทุกกับคนนี้ก็เพราใจเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้รังใจอยากเราก็ทุกข์ถ้าเราอยากจะหยุดความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากอยากจะหยุดความอยากก็ต้องหยุดหยุดความคิดให้ได้ก็ใช้พุทโธพุทโธถ้าเราฝึกพุทโธมาล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วมันก็ง่ายเพราะว่าเราสามารถมีกําลังที่จะใช้พุทโธให้หยุดความคิดได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่ซ้อมไว้ก่อนพอถึงเวลาจะใช้พุทโธมันนึกไม่ออก เห็นตอนนี้ต้องพยายามขยันหัดท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเลยวันไหนช่วงไหนไม่ต้องใช้ความคิดอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยให้มาคิดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธไปจะช้าก็ได้จะเร็วก็ได้ไม่ต้องออกเสียงก็ได้ให้อยู่ในใจไปให้มีพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้ามีเรื่องที่จะต้องคิดมีความจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพุทโธไว้ก่อนออพอใครคิดเรื่องที่จําเป็นเสร็จแล้วก็ ถ้ามันจะไปคิดเรื่อยเปื่อยคิดไปถึงเรื่องที่จะทำให้ใจทุกข์ก็ใช้พูดโธพูโทโธหยุดอย่ถ้ามันไม่คิดสร้างความทุกข์เราก็ไม่ต้องพูโไไดโธก็นแ้วขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือปัญญาถ้าเราสามารถใช้สติอยู่ความคิดได้เราก็จะสามารถสั่งให้มันคิดไปในทางที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ได้คือต้องคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราทุกอย่างจะต้องมีวันจากเราไปวันใดวันหนึ่ง ทุกอย่างเราไม่สามารถสั่งให้เป็นไปตามความอยากของเราได้เสมอไปถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เราก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากใจของเราก็จะไม่ทุกขอ์อะไรเจ้าค่ะคำถามต่อไปจากคุณปุ้ยพีหนีเที่ยวกราบเรียนถามพระอาจารย์การที่เรายังมีอารมณ์ขุนมัวมีโมหะโทสะแม้เพียงเ็กเล็กน้อยอยู่ในใจนั่นหมายถึงว่า เรายัางไม่เข้าใกล้ที่จะเรียกได้ว่าละขันธ์ห้าแล้วใช่ไหมครับก็ยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ละถ้าไม่ทุกข์กับขันธ์ห้าแล้วเราก็จะไม่เราก็ถือว่าเราละได้แล้วร่างกายจะแก่ก็แก่ก็ยอมรับได้คิดเจ็บก็ยอมรับได้ตายก็ยอมรับได้ไม่ทุกข์กับมันถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ละ ใช่ค่ะมีคําถามจากยู u ูบสักค่ะจิตจะเกิดปัญญาได้ก็ต่อเมื่อจิตจะรู้แจ้งเองใช่ไหมครับเรามีหน้าที่เพียงเป็นผู้สร้างเหตุส่วนผลจะเกิดขึ้นตอนจิตมันยอมรับเองใช่ไหมครับเช่นขันเช่นขันโสดาบันเราปฏิบัติสร้างเหตุเท่านั้นพาใจพาจิตให้มันดูใช่ไหมครับเราต้องสอนจิตให้เห็นความจริงว่าขันห้ามันเป็นอนิจจังทุกข์ังอนัตตา เราก็ต้องคอยป้อนข้อมูลนี่จกระทั่งมันมันเห็นตามความเป็นจริงมันก็จะยอมรับความจริงได้มันก็จะไม่ทุกได้แต่เราต้องเปนคนป้อนข้อมูลให้กับจิตจิตม่เหมือนคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราไม่ป้อนข้อมูลเข้าไปมันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างถ้าเราป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วมันก็จะจดจาไว้ในในความจามันเวลาเราเรียกข้อมูลนอ น, นี้ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาทันที เราต้องป้ อ, อนอนิจจังทุกขังหน้าตาให้กับจิตไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะต้องเจออ น, นิจจังทุกขังหน้าตาข้อมูลเหล่านี้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่า น, นี่แหละคือความจริงฝืนไม่ได้ฝืนแล้วก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่าฝืนต้องยอมรับความจริ ง, งนี่เช้าค่ะคําถามจากคุณชลาลายัยกราบนรมาสการพระอาจารย์กราบเรียนถามว่า โยมนั่งฟังไร้สดธรรมะของพระอาจารย์อยู่ที่บ้านโยมต้องนั่งพับเพียบพนมมือตลอดเวลาจนจบไร้สดหรือไม่คะนั่งขัดสมาธิได้หรือไม่คะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําโยมเจ้าคะ่ะในเชิงของการปฏิบัติในการฟังธรรมนี่เป็นการเป็นการฝึกสมาธิฝึกปัญญานั้นสามารถนั่งขัดสมาธิได้ถ้าเราอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราอยู่ในที่สาธารณะที่มี ผู้แสดงธรรมเป็นผู้ที่ท่านเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเราก็ต้องแสดงความเคารพด้วยการนั่งแบบพับเพียบนั่งแบบพับเพียบใดทำสมาธิในท่าพับเพียบไปคือนั่งฟังแบบพับเพียบอย่าไปนั่งขัดสมาธิเพราะท่าขัดสมาธินี้ถือว่าเป็นท่าสบายเป็นท่าส่วนตัวถ้าเราอยู่ในสาธารณะเรามีที่สูงที่ต่ำกว่าเราถ้าเราเป็นผู้ที่ต่ำกว่าผู้สูง ตอนหน้าผู้สูงเราก็ต้องนั่งอยู่ในอ า, าการที่ให้ความเคารพต่อผู้ผู้สูงกว่าเราทำในของไทยเราก็เกิดต้องนั่งพับเพียรเวลาที่เราเข้าหาพระทำพระพูดคุยกับพระนี่เราก็นั่งพับเพียรไม่ใช่นั่งขัดสมาพูดกันแต่ถ้าเราอยู่ตามลำพังของเรานี่เราสามารถนั่งท่าขัดสมาฟังเทศพังธรรมไปได้ไม่ถือว่าขาดความเคารพเพราะเราอยู่ตามลำพังของเราคนเดียว เรต้องดูการลาเทศะว่าอะไรควรไม่ควรถึงจะถือว่าเป็นบัณฑิตเป็นคนฉลาดรู้การลาเทศะคำ ถ, ถามจากคุณอุชนากราบนมัศการเจ้าค่ะการปฏิบัติบูบชาสัปดาห์ละหนึ่งวันควรทำอย่างไรคะหากไม่ได้อยู่วัดแต่ปฏิบัติที่บ้าน กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะก็ทําตั้งแต่เช้าเลยลืมตาขึ้นมาก็เอาสติเลยเริ่มต้นด้วยสติพุธโธพุธโธไปอย่าปไปให้ใจคิดเรื่อยเตัยแล้วก็ถือศีลแปดไปอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปกินไปดื่มนอกเวลาให้กินให้ดื่มภายในกรอบเวลาที่กําหนดไว้คือไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสทวัตถภาไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนไม่เสริมสวยความงาม ของร่างกายแล้วก็ไม่นอนบนบนที่นอนที่สุขที่สบายให้นอนบนที่นอนแบบที่แข็งจะได้นอนไม่มากถ้านตองที่มันเป็นเบาะนุ่มๆ น, นี่มันจะนอนหลับแล้วมันจะไม่ยอมตื่นจะเสียเวลาของการปฏิบัติไปถ้านอนบนพื้นที่แข็งๆพอร่างกายมันตื่นขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมปฏิบัติทาต่อไป น, นี่คือการปฏิบัติไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดก็ต้องทําแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากจะทําบุญอนไรนนั้นก็ได้ถ้าเราทำไมยนี้เราทําบุญด้วยผ่านมือถือก็ได้เจะสั่งอาหารออนไลน์ก็ได้เนี่ยที่สายบิณฑบาตรางนี้มีคนสั่งอาหารออนไลน์ทุกวันมีแม่ค้าเขารับรับคําสั่งมาเราก็โอนเงินไปค่าสายบาสให้นเขาไปแล้วเขาก็จะเวลาสายบาสเขาก็จะถ่ายรูปส่งกลับมาให้เราเห็น <laughs> อัอนนี้ได้ได้สายบาสให้แล้วนะอะไรนี้ หรือถ้าเราไม่ต้องการจะใส่บาทโอนเงินเข้าบัญชีของวัดหรือของใครไปเลยก็ได้สมัยนี้สามารถทำทานได้สะดวกรวดเร็วง่ายได้ถ้าอยากจะทำตั้งอาบิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชามีคำถามจากยูทูบเจ้าค่ะ บางวันนั่งสมาธิพุทโธจิตสงบเย็นบางวันไม่สงบเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับที่บางวันไม่เหมือนกันอย่าไปอยากให้สงบแค่ทำไปเรื่อยๆวันไหนสงบก็ดีวันไหนไม่สงบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับเพื่อมันไม่สงบแล้วก็ทำอะไรมันไม่ได้มันก็ไม่สงบแต่เรารู้เราต้องรต้องรู้สาเหตุว่าของกลางสงบไม่สงบเกิดจากอะไรเพราเกิดจากจกสิิของเรา วันไหนสติเราดีมันก็จะสงบวันไหนสติเราขัดขาดหายหายมันก็จะสงบยากหรือไม่สงบเลยเห็นลราต้องพยายามฝึกสติให้ให้มีมากๆแล้วต่อไปทุกครั้งที่เรานั่งมันจะสงบทุกครั้งได้มีคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเช่าค่ะไปปฏิบัติธรรมที่วัดช่วงปีใหม่มีถือศีลแปด เดินจงกรมและนั่งสมาธิได้นานขึ้นแต่ยังไม่รู้สึกแบบตกหลุมตกบ่อมีแค e ่ความสงบมีหลงไปคิดบ้างเห็นลมหายใจบ้างแบบนี้พอใช้ได้หม่เจ้าขาก็เป็นจุดเริ่มต้นมันก็ต้องพยายามพัฒนาการปฏิบัติให้มันเข้มข้นขึ้นต้องปฏิบัติให้มากขึ้นจารันสติให้มากขึ้นต้องอยู่คนเดียวไม่ไปยุ่งกับใคร เราทำให้มันมากๆนานๆนานมันถึงจะสามารถทำให้จิตสงได้คำถามจากคุณระพีพัฒนรับในมัสการพระอาจารย์นั่งสมาธิแล้วเผลอหลับต้องแก้อย่างไรบ้างครับการหลับมันก็มีหลายสาเหตุเนกันอันแรกก็คืออาจจะกินมากเกินไปเพราะหนังท้องเต็มหนังตามันก็หย่อนลองเขาถึงให้ถือศีลแปดกันอย่ากินอาหารหลังจากเมี่งวันไปแล้วหรือกินมื้อเดียว บางคนบางทีก็อดมือ้อกินมื้อก็อดวันกินวันก็มีก็ เ, เห็นว่ามันกินแล้ว ม, มันทําให้ง่วงพอไม่กินแล้วมันไม่ง่วงอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือการสติแล้วไม่ค่อยมีด้วยถ้าไม่มีสติมันก็จะเผลอหลับง่ายนั่นก็ต้องหมัน่นเจริญสติแล้วถ้านั่งแล้วมันจะหลับก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมแทนอย่าอย่าไปนั่งต่อแก้แก้ความง่วงด้วยการไปเดินจงกรม หรือถ้ายัางง่วงอยู่ก็ลองไปหาที่น่ากลัวไปนั่งปฏิบัติไปนั่งตามป่าช้าดูก็ได้มันมักจะไม่ม่วงถ้าไปถึงถ้าไปอยู่ที่อย่างนั้นนะมันจะเติบนขึ้นมาทันทีเลยมันจะเห็นผีมาเยอะแยะไปหมดคำถามจากคุณชะลาลัย กราบเรียนถามพระอาจารย์มดกินเนื้อสัตว์ทุกวันพระได้บุญไหมคะและคนที่กินมังสวิรัตหรือเจตลอดชีพได้บุญไหมคะไม่ได้บุญเลยถ้าได้บุญวัวควายมันก็ได้บุญใหม่มากกว่าคนนวัวควายมันกินหญ้าก็จะได้บุญก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้ากินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วที่เราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเขานี่ไม่บาปแล้วก็ไม่ได้บุญก็เป็นเพียงอาหารอย่างนึงเหมือนกับผักด คำถามจากคุณอริสาผลบุญกราบพระอาจารย์ครับอยากให้พ่อแม่เข้าวัดแต่ท่านบอกว่าเข้าตอนตายเลยทีเดียวซึ่งกระผมลองชวนแล้วท่านก็ไม่ไปกระผมควรทําอย่างไรครับก็ทําใจทําใจเราทำหน้าที่ของเราแล้วชวนท่านแล้วท่านไม่ไปก็อย่าไปบังคับท่านเดี๋ยวจะทะเลาะกันเดี๋ยวแทนที่จะรักกันกับมาโกรธมาเกลียดกันออกไปต้องรู้จักขอบเขตของการ การการชักชวนว่าเราชวนเขาแล้วทำหน้าที่ของเราแต่ก็ไม่ตอบสนองก็ต้องปล่อยเขาไปตามอัธยาศัยของเขาไปคำถามจากคุณเพชรตะวันช่วงที่ฝึกปฏิบัติสมาธิยังเข้าไม่ถึงปีติอารมณ์เบือ่อชีวิตรบกวนจิตใจต้องทำอย่างไรคะก็ทำต่อไปพยายามทำสติให้มากๆพยายามควบคุมความคิดหยุดความคิดไว้อย่าปล่อยให้คิดอารมณ์ต่างๆมันเกิดจากความคิดของเรา ถ้าเรามีสติอยู่ความคิดไดอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็จะหายไปหมดแล้วเลยเจาย้าค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมที่อยู่ในศาลาที่นี่ที่ถามได้แต่ตอนนี้นะเดี๋ยวพอเราเลิกแล้วห้ามเข้ามาถามนะเพราะจะไม่สะดวกที่จะตอบถ้าไม่มีก็คิดว่าเอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านลงนํามเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ